พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13ปพระสูตรที่47ธนัญชานิสูตรสูตรว่าด้วยธนัญชานิกรามพระผู้มีพระภาคประทับณเวลุวนาวรามใกล้กรุงราชคฤห์สมัยนั้นท่านพระสาวรีบุตรจาริกไปในชนบททักขีนาคิริคือภูเขาทางใต้พร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ มีภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาในกรุงราชครึกแล้วเดินทางไปทักินากิริชนบทเข้าไปหาพระสารีบุตรสนทนากันพระสารีบุตรถามถึงธนัญชานิพราหม์ก็เล่าให้ฟังว่าเป็นผู้ประมาทอาศัยพระราชาปล้นพรามคฤหบดีอาศัยพ ร, รามคฤหบดีปล้นพระราชาเป็นต้น เมื่อพระสาวรีบุตรไปสู่กรุงราชคฤห์ได้พบกับธนัญชาณิพราหม์ก็ไต่าถามว่ายังไม่ประมาทอยู่หรือพรามตอบว่าจะไม่ประมาทได้ได้อย่างไรเพราะตนมีภาระจะต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรภริยาและบ่าวไพร่เป็นต้นพระสาวรีบุตรจึงถามว่าผู้ประพฤติไม่เป็นธรรมประพฤติผิดเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาเป็นต้น นายนิรยาบาลจะยอมให้แก้ตัวอย่างนั้นหรือไม่ตอบว่าไม่ได้ถามว่าผู้ประพฤติไม่เป็นธรรมประพฤติผิดกับผู้ประพฤติเป็นธรรมประพฤติไม่ผิดเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาใครจะดีกว่าใครธนัญชานิพราหมยอมรับว่าผู้ประพฤติเป็นธรรมประพฤติไม่ผิดดีกว่า พระสารีบุตรจึงกล่าวสรุปว่ายังมีการงานที่ถูกต้องตามธรรมะอย่างอื่นที่จะพึงกระทํากรณียกิจแก่มารดาบิดาเป็นต้นโดยไม่ต้องทําบาปและได้บําเพ็ญปฏิปทาอันเป็นบุญด้วยต่อมาธนันชาณิพราหม์เจ็บหนักจึงใช้คนไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคและกราบเรียนพระสารีบุตรและอารัธนาพระสารีบุตรไปสู่ที่อยู่ของตน เพื่ออนุเคราะห์พระสารีบุตรก็ถามพรามว่านารกกับกำเนิดเดรัจฉานอันไหนจะดีกว่ากันพรามตอบว่ากาเนิดเดรัจฉานดีกว่าจึงถามเปรียบเทียบเรื่อยไปจากต่ำจนถึงสูงคือเปรตวิสัยมนุษย์เทพชั้นจาตุมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามะชั้นดุสิตชั้นนิ ม, มานารดี ฉันปรานิมิตาสวัตตีและพรหมโลกเมื่อเห็นว่าพวกพรามมีจิตน้อมไปเพื่อพรหมโลกจึงแสดงข้อปฏิบัติเพื่อไปเกิดในพรหมโลกให้ทนัญชานิพรามฟังคือการเจริญพรหมวิหารสี่ประการทนัญชานิพรามสั่งฝากพระสารีบุตรกราบพระบาทพระผู้มีพระภาคด้วยเมื่อพระสารีบุตรกลับไม่นานก็ถึงแก่กรรม แล้วไปเกิดในพรหมโลกเมื่อพระสารีบุตรไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเมื่อตรัสถามว่าเมื่อยังมีกิจที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปเหตุฉไฉนจึงแนะนันชาณิราหม์ให้ตั้งอยู่ในพรหมโลกอันต่ำซามแล้วหลีกไปซะพระสารีบุตรกราบทูลว่าเพราะท่านคิดว่า พวกพรามน้อมจิตไปเพื่อพรมโลกโดยมากพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าทนัชานิพรา์ถึงแก่กรรมไปเกิดในพรมโลกแล้วพระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13พระสูตรที่48วาเสษถสูตรสูตรว่าด้วยวาเสฐมานก พระผู้มีพระภาคประทับณป่าอิจฉานังคะะใกล้หมู่บ้านชื่ออิจฉานังคละสมัยนั้นพรามมหาศาลคือพรามผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากเหล่าพรามที่มีชื่อเสียงเช่นจังกีพรามเป็นต้นก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชื่ออิจฉานังคละมานพสองคนคือว่าเศรษฐกับพารทวาชะสนทนากันว่าบุคคลจะเป็นพรามได้อย่างไร พารัวาชากล่าวว่าผู้เกิดจากมารดาบิดาเป็นพรามสืบต่อมาเจ็ดชั่วอายุคนไม่มีใครคัดค้านได้ในเรื่องวงสกุลจึงเป็นพรามได้แต่ว่าเสรษฐมานพค้านว่าต้องมีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดจึงเป็นพรามได้ทั้งสองไม่สามารถตกลงกันได้จึงตกลงกันว่าจะไปทูลถามพระผู้มีพระภาค เมื่อไปทูลถามจึงกล่าวเป็นคาถาหรือคํากวีใจความว่าจะเป็นพราหมณ์ได้เพราะชาติหรือเพราะการกระทําพระผู้มีพระภาคตรัสตอบเป็นคาถาเช่นเดียวกันโดยใจความว่าเป็นพราหมณ์ไม่ใช่เพราะชาติแต่เพราะการกระทําที่ดีงามต่างๆเมื่อจบธรรมเทศนามานพทั้งสองทูลสรรเสริญแสดงตนเป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต